4.6 ภาวนาแล้วจะรวยและสวยวงเล็บเปิด16ตุลาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที25วงเล็บปิดภาวนาแล้วรวยรวยจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เราถูกกิเลสลากให้ไปซื้ออันโน้นซื้ออันนี้ตลอดเวลาเราภาวนาแล้วเราก็รู้ทันจิตใจมันอยากขึ้นมาปุ๊บก็รู้ทันมันจะเหลือแต่เหตุผลแล้วจะซื้อด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ใช่ซื้อเพราะอยากแล้ว แต่ว่าพอขาดสติก็จะหลงไปอีกเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพวกทีมพวกนี้เคยมาเล่าบอกว่าหัดดูจิตตัวเองวันหนึ่งไปเดินเที่ยวศูนย์การค้าไปเห็นกระเป๋าสวยนะอยากได้รวยอยากได้เพราะเผลออีกแวบหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนี่ถ้ารู้เร็วกว่านี้ไม่เสียเงินเห็นไหมนี่ภาวนาแล้วรวยขึ้นนะพอเรามีสตินะมันพอเพียงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีสติเราก็มีศีลเราก็รวยขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมา เราก็มีศีลเรามีความสวยมีสิ่งที่ดีๆหลายอย่างต้องพูดอย่างนี้บ้างไม่อย่างนั้นพูดแต่ธรรมะล้วนๆเครียดเกินไปภาวนาแล้วเราจะมีสเสน่ห์ไม่ต้องห้อยอะไรที่เกะ ก, กะคอเราจะมีสเสน่ห์ในตัวเอง